ไม่ใช่คูบาอาจารย์เป็นคนเป็นต้นคิดตนไอเดียที่จะมาสอนเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นเราจะนั่งสมาธิเราจึงำรำลึกถึงพระพุทธเจา้าสก่อนว่าอันนี้คือแนวความคิดของพุทธะที่ท่านสอนแล้วก็เราก็นำครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็นำทำคำสอนของพุทธะามาบอกกล่าวให้กับพวกลูกหลาน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 แต่เนี่ยเราฝึกมากๆากมันก็เผอนะร right. ู <lim a. S 1> ้เลยเธเนี้ยรู้ว่ามันมันมันมันออกไปนะถ้ามันออกไปมันเอาไม่อย right. ู่ออกไปบ่อยเล่าล <changer Shaun. S 2> <God>. ัวเลยเธอเนี่บริกรรมเมือนก็ยิงปืนกลลักษณะอย่างนั้นแหละรัวเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในในความรู้สึกของเราเนี่แหละบริกรรมภาวนาพุทโธให้ถี่เย็บเลยเธอนี้ยเอาให้อยู่เนี่นี่แหละวิธีการฝึกเบื้องต้นนะลูกหลานนะ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 จะดูแลประเทศชาติจะดูแลพี่น้องประชาชนจะดูแลครอบครัวจะเป็นที่ยอมรับของคู่คนได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นลูกหลานเข้ามาคาวเนี่ยมาฝึกสมาธิให้อยู่กับตนเองเพราะนั้นวันนี้หลวงพอ่อจึงให้พวกเรานั่งสมาธินะ่ะนั่งกัดสมาธาิต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีธรระเทศนากันหนึ่งองีก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 วันนั้นเปิดได้แล้วนะท่นนี้นะเอานั่งสมาธิต่อนะถ้าได้เวลาแล้วเดี๋ยวท่านจะบอกอ้าวพอนะยังค่อยออกจากสมาธินะลูกหลานนะองอดทนนะนั่งสมาธิเราอดมาทำอย่างอื่นเราอดทนมาพอแรงแล้วแต่เขานีนั่งสมาธิอดทนดูสิเป็นยังไงนะเอาเริ่มเปิดได้นะ